เรื่องไม้สองเรื่อง154สมัยนั้นพวกชาวบ้านผูกแพรแล้วเข็นลงแม่น้ำอจิระวดีเมื่อเชือกขาดไม้ทั้งหลายได้กระจายไปพวกภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสุกุลจึงช่วยกันขนไม้เค้ื่อนฟังพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่า พวกเราต้องอาบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญว่าเป็นของบางสุกุลไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่หนึ่งร้อยหนึ่งสมัยนั้นพวกชาวบ้านผูกแพรแล้วเข็นลงแม่น้ำอจิรวดีเมื่อเชื่อขาดไม้ทั้งหลายได้กระจายไป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 เรื่องที่หนึ่งรยสอง